สนับสนุนใหุ้กชีวิตได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกูด้ตัวเองทมไว้ไหนก็สนับสนุนให้เราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเพื่อทำความดีรับความชั่วไม่ทำมาหากินอะไรต่อถึง โ ย, ยก็ชลสนุนให้เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมสร้างวาดสร้างวาให้พวกเราอยู่หาข้าวหาเน่ามาให้เราฉัดเก็บไค่หรือเผล่อก็ดูแลอานุ่ง o m าหมไม่ต้องขนขวายเสียเวลาเวลาไปหานัที่ไหน ไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละเอาก็ถวยโอกาสในทาไวนี้เพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่ใช่เพื่ออาชีพรตินิยังไงอะไรต่างๆแต่ถึงวันเข้าพรรษากำหนดไตมาสสามเดือนนี่ก็ทำเวไนก็ให้เรามีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรม วัฒนธรรมประเพณีของไทยเราเก็มีโอกาสให้เราได้ปฏิบัติธรรมสนับสนุนมองดูแล้วม่าชื่นใจแม้แต่ตัวเรานี้กายใจก็สนับสนุนให้เราไีโอกาสปฏิบัติธรรม มันก็เกิดปัญหาที่กาที่ใจนี้ปัญหาถ้าทําให้เราไดมา้มีโอกาสเกิดปัญญาได้ความทุกก็ทําให้เราไมีโอกาสไม่ทุกข์ควาโกรธความโลภความหลงทําให้เราเปลี่ยนลายไม่ต้องโลกต้องโกรธต้องหลงในเรื่องของชีวิตของเราตาหูจมูกนิ้วกายใจ รูปรดกลิ่นเฉียงก็เพื่อให้เราปฏิบัติธรรมมันมีความผิดความถูกเมื่อเปลี่ยนความผิดให้เป็นความถูกเก็บไข้โดยป่วยก็ทำให้เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมได้เห็นทำทั้งหลายความไม่เที่ยงก็ทำให้เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมดังที่เราได้สาธยายเนะี่ย ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำไมก็ไม่เที่ยงเป็นนิพพานรวงทุกข์จะเป็นทุกข์ทำไมรวงทุกข์เป็นนิพพานก็บอกอยู่แล้วพระเจ้าก็บอกอยู่แล้วอาจะตากกนนแรงๆด้วยซ้าไปสังเกตดูนะ ไปได้ไปไหนมาไหนพระพุทธเจ้าอาจจะย้ินดืนอยู่ในช 4, 5, 5, 5. อ่องสี่แพรก้าแพรก็มันเป็นอย่างนี้น่จาจะเราได้สาทยายพระเจ้าก็แสดงว่าดูกองเพชสชูต้องหลอยเหมือนกระตะโกนเพราะหลายคนหลายโลก จงมาดูจงมาดูเราจะไปหลับไปไหลทำไมในความหลงม่ความไม่หลงในความทุกข์มีความไม่ทุกข์ในความโกรธม่ความไม่โกรธในความโลภมีความไม่มโลภแน่นอนมีจริงจริงอย่าปิดจย่ปิดบงังงำแพงตัวเอง ศึกษาให้ย่อยให้แยกตลองดูอย่าจนอย่าจนต่อควาหลงอย่าจนต่อควาทุกข์มันมีโอกาสแท้ๆแล้วตอนนี้นะถ้ายังหลงอยู่เวลาใดกันแล้วฮเราจะได้ศึกษาจะได้ฉลาดมันฉลาดจะวนความงูไม่ใช่งูเป็นงูหลงเป็นหลง มันเป็นสัตว์ประเสริฐจริงๆมนุษย์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ดิบชั้นไปหลงทำไมไปหมกมุ่นทำไมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมไม่แต่ความคิดก็เป็นทุกข์นะทั้งๆที่ไม่มีใครมาทำเปิดจากรกิจใจของเราที่มันคิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ได้ ชิดขึ้นมานอนไม่หลับยิบขึ้นมาจิมข้าวไม่ลงชิดขึ้นมาน้ำตาไห ล, หลกอดเกลียดเครียแช่ดชได้แค่หลหรือชีวิตเราเราจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือ <Okay. S 1> ไม่ใช่มีเฉพาะเราคนเดียวมันมีอีกหลายอย่างแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยกันเว้นสัตว์สังคมมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานเพื่อนบ้านบุตรพันยาสามี เราจึงปฏิบัติธรรมนะพยายามที่จะมีสติมันก็มีได้สติก็ไม่ได้ไปขอใครเอาผิดออกมาจากกายจากใจเรงนี้ล้มหายใจก็พิสติได้หายใจเข้าหายใจออกเฉยๆก็รู้ได้ปิดตาก็รู้ได้เกิดลมร่อยก็รู้ได้ นั้นไม่ยากไม่เหลือวิสัยอนพิการคนขนาดไหนก็รู้ได้ตาบอดหูลวกรู้ได้มันจึงเป็นยอดของชีวิตจริงๆถ้าไม่เราไม่โอกาสปฏิบัติธรรมไปทุกทมไม ไ, รรมไปหลงทำไม่แต่ยยงกัดก็เป็นโอกาสปฏิบัติธรรมนะนั้นบอกบอกว่ามัน มันเก็บมันบอกความเก็บความปวดมันบอกให้เราได้มีโอกาสปฏิบัติใด้ช่วยทําอาการตามเหตุปัจจัยแล้วก็โลดมาได้จริง เ, เราก็รู้แล้วเนี่ยหูได้ยินเสียงก็ทําให้เราปฏิบัติทำรอด่าพ่อหูจะให้มีปัญหาพ่อหู ใมันเป็นปัญญาพ่อหั ว, วตาจมูกลล่นกายใจใช้ให้มันเป็นประโยชน์จะให้เป็นทุกข์เป็นโทษใช้ได้จริงๆนะ่ะกายของเราใจของเราเนี่ยเราจะใช้อย่างไรใช่ผิดก็ผิดจริงๆนะ่ะทดลองความผิดก็ผิดไปเลยคืนไม่ได้ไปแล้วความผิดไปแล้ว ทดลองความทุกข์ก็ทุกข์ไปแล้วเอาคืนไม่ได้ไม่ใช่ทดลองชีวิตไม่ใช่ทดลองไม่เหมือนกับวัตถุสิ่งของชีวิตต้องเป็นการกระทำแล้วเราก็ขอสำนึกหลุนเราก็พยายามจะลีกอยู่คนเดียวแม้เราอยู่กับหมูก็อยู่คนเดียว ใครไม่เป็นมิตรกับเราเราก็เป็นมิตรกับตัวเองอย่าไปหามิตรภายนอกมิตรภายในมีได้ทุกโอกาสจะเล็กคนเดียวไม่ใช่ไปไหนไม่ไมพูดมาจา ก, กับใครคนเดียวคืออิสระเราหลงเรามีสิทธิไม่หลงคนเดียวเราทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์คนเดียวเราโกรธเรามีสิทธิไม่โกรธ ปฏิบัติธรรมคนเดียวแค่ไขต้นด้วยต้นเองเตือนตนต้นตตเองคนเดียวอยู่ในเสด็จดังอัสระอังสงัดคนเดียวพิกษสูทั้งหลายพูดเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ใช่เราเอาเลียกร้องอะไรต่างๆคนนั่นไม่ช่วยคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ใช้ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีที่อยู่หรอก อย่างเราสวดวงคลนสูตรเสวนาจะพาระนังปันติตาราจะเสวนาปูชาจะโวเชนิยะดังเอตัมมังคะระมุตตมังคืออะไรอยากคบคนผานให้คบบัณฑิตบูชาคนที่คนบูชาคนผานอยู่ที่ไหนในกอในขอหรือไม่ใช่ไปขี้คนนั่นผิดคนนั่นถูกหรือ ไม่ใช่ต้องมองตนชีวิตต้องมองตนทนผ่านอยู่ที่ไหมันหลงเป็นคนผ่านมันโกรธเป็นคนผ่านมันทุกข์เป็นคนผ่านทต่ไม่แตงเดือดร้อนทำไมคนอื่นเดือดร้อนคนผ่านเกิดจากเราเนี่ยอย่าคบคบบัณฑิตเคยมีสติรู้สึกตัวเปลี่ยนล้ายเป็นดีคบบัณฑิต พลังเดียวกันนะมาใช่ไปครบบันดีอยู่ประเทศนั่นเ่านี้ปฏิรูปประเทศสวาโสจวบเพมาใช่ประเทศที่ไหนอาจจะเป็นประเทศน้อยคควงสองจะวานาเคลนะมไหนมีมีหมดในชีวิตของเรานะแล้วก็มีภายนอกก็มีคนส่งคนสอนว่าเกาตักเตือนก็เป็นประเทศนันนัน เราจึงไม่ยากพอแล้วชีวิตของเรากายใจหนึ่งพอแล้วเหมือนคนมีปัญญามีปากกาปากเดียวพอทั่วไปได้โลกโลกเที่ยงตัวเองได้ถ้ามีปัญญาก็นมีผีเหมือชีพเรื่องใดไม่ต้องพก ผ่าอะไรพลมงุหลังมันจึงพร้อมทุกอย่างในชีวติตของเรามีกายก็พร้อมมีใจก็พร้อมตาหูจมูกดิน้นพร้อมที่จะใชใ้เกิดประโยชน์ยิ่งเราทำไปไหนยิ่งพร้อมที่สุดแล้วก็หลัก ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นการหลุดพ้นก็มีอยู่แล้วพระเจ้าก็ประกาศโยเอกาบัคโควิสุตติยาสติปทานสูตสติปฐานทีอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปเปิดตำลากายยานปัญญาสติปทานมีสติเห็นกายเห็นเดียวนี้ไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนแล้อยู่่ไหนกายอยู่ที่นั่นใจยอยู่ที่นั่น ไห้รู้อ่าเป็นตู้ตปฏิพิดกให้อ่านให้ดูถ้ท่องจำให้ลำนำไอ้มันติดสติมันจะติดในกายสติมันจะติดในใจถ้าท่องจำลำนำดีๆโดยเฉพาะกรรมฐาน <c oughs> อิจฉากรรมฐาน ทั่วๆไปพอแล้วไอเพวกเรามาทำอยู่นี้การเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะ15้าจังหวะก็พอดีรู้ทุกวินาทีเลยทีเดียวเหมันจึงใช้ได้จริงๆพริกมือขึ้นก็รู้ยกมือขึ้นก็รู้ รู้ไปตามอดีตบซึ่งจะเรียกวกากายานพัฒนามันเคลื่อนไหวที่ไรก็กรู้เกวท่องจำลำดับลำนำให้มันติดไม่ใช่ไปคิดเป็นภาษาสัมผัสเอาสติไปสัมผัสกับกายเคลื่อนไหวเข้าเวลาใด ใ, ใจมันคิดก็มีสติอย่าให้มันคิดฟีฟีให้รู้ ความคิดที่ตั้งใจคิดก็ไม่ควรคิดเวลาเราฝึกหัดแล้วก็เจตนาเรื่องเดียวเสือก่อนให้มันรู้จะให้หลายเรื่องมันจะพลาดไม่ชัดเจนให้เพ้นเรื่องเดียวเสือก่อนให้มันํานาญเสือก่อนเาจะทําอะไรเราจะเรียนอะไรต้องทําเรื่องเดียวค่อยๆผ่านไปผ่านไป มันแตกฉานเหมือนคนมีฝีมือหัตถกรมกรมศิลปกรรมมันแตกฉานในวิชาที่เรียนได้หัตตัดเย็บเชิ้ผ้าก็แตกฉานหัตตัดผมก็แตกฉานอัดจักรศารก็แตกฉานลายไม่ไผ่เอาแบบไหนก็ได้ถ้าเป็นไม่ไัย ต่ถ้าเรียนเครื่องยนต์กลไกก็แตกฉานเพียงได้ยินเสียงก็แตกฉานจับดูก็รู้ว่ามันคืออะไรเพราเขาเรียนรู้มาเราต้องแตกฉานในชีวิตของเราไม่เี็นตรงไหนที่หลอกหรือปิดบงังพาได้ในกายในใจเรานี้ไม่มีอันตรงไหนที่ไม่เห็นเห็นหมดเพราะอะไรมันแสดงออกให้เราเห็น นั่งอยู่นี่มันก็แสดงออกหรื อ, อเวลาเราศึกษาจริงก็จะสนุกดูมันออกมาแต่เราเจตนาว่าจะดูกายเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เห็นกายอย่างเดียวมันออกเคลื่อนไหวหลายอย่างมันแสงมาความคิดก็เกิดขึ้นขณ ะ, ะที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วก็รู้มันอย่าไปสนใจเอาเรื่องเดียวเสือก่อน ให้รู้ไปอะไรที่มันขนาดไหนก็เอามาเรื่องเดียวเช่นก่อนอย่าทำตามความคิดอย่าลุกอย่านั่งตามความคิดอย่าหยุดเพราะความคิดอย่าขยันเพราะความคิดคิดขยันก็ทําคิดที่เกลียดก็หยุดอยากให้ความคิดมันใช่เราให้เราใช้ชีวิตของเราเองมีสติเป็นเจ้าของเองหัดจากนี้มอบความไปใหญ่ให้สติเนี่ย จึงจะเรียกว่าฝึกฝนตนเองนะนะนะเอาเอาอะไรแค่หมดเอาะไรมาก็ไปอยากลูกก็ลูกไปไหนอยากจุดก็หยุดอยากทำก็ทำมาใช่คิดอะไรก็ไปตามความคิดเข้ามาช่เปลี่ยนให้มันรู้เรื่องเดียวเช่นก่อนเรียกว่าปฏิบัตธิธรรม มีเหมือนกันทุกคนบางที่มันอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาค่ะที่เรามีสติมันจะเห็นจะได้เรียนรู้มันจะได้มีบทเรียนจะได้ประสบการณ์ประสบการณ์มันมาสอนเราอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเราจะได้เห็นต้องไปถามใครนี่คือควารหลง เราเห็นวันนี่ครืมองคุกเราเห็นบันเราความโกรธเราเห็นมันความโลภเราเห็นมันความพอใจความไม่พอใจให้เราเห็นมันความระเลยสงสัยเกิดขึ้นเราเห็นหัวเหานอนให้เราเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแสดงหน้าแ้างหลังอย่าวันไวให้เราเห็น ให้ตั้งไว้ก่อนให้ตั้งมัน่นมีศรัทธาไว้ก่อนศรัทธาต่อความรู้สึกอะไรๆให้มันหลงอย่าไปศรัทาความหลงอะไรๆที่มันคิดอย่าไปทำความคิดเชื่อความคิดเชื่อความสุขเชื่อความทุกข์ไม่ได้ให้เชื่อสติไปก่อนใช้สติไปก่อนถ้าจะทำอะไรก็มีสติก่อนจะค่อยทำค่อยพูดค่อยคิด อาจลำดับลำนำอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้โอกาสกันและกันแล้วก็ช่วยกันและกันทําสนุนให้กันและกันได้มีโอกาสปฏิบัติธรมธรมในทำไม่ไหนไม่แต่อื้อกะแฮมอายแรงๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีระมัดระวังว่าอย่างนั้นนะ มองหน้ามองส่วมจะเบ่งแรงก็ไม่ได้ผิดที่ไหน <laughs> อะไม่ได้นะเบ่งแรง <laughs> ละมัดระวางจะพูดจะไอก็ละมัดละวังติดตาเช่ก่อนไอควรพูดก็ไม่พูดมีสติไว้ก่อน ถ้าจะพูดจึงใดก็ควรตั้งสติไว้ใม่ควรดูก็อย่าไปดูแต่ถ้าหูหวดัดหมูหนวกไปตาปิดหูไม่ควรเห็นก็ไม่ควรเห็นไม่ควรฟังก็ไม่ต้องฟังไม่ควรคิดก็ไม่ควรคิดเดี๋ยวเป็นพระปิดทาวานไว้สักหน่อยจกักจิตนะว่าแช่เอาพระปิดทาวารมาแขนมคอ ตอนนั้นก็ถูกแต่ว่าถูกทั้งนายหนุน่มไม่ถูกทั้งหมดนี่คือขณะที่ฝึกใหม่ก็ต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองให้เต็มที่อะไรที่เราเป็นฐานะแบบไหนก็รู้เราก็ลู้ตัวเราเราก็พยายามฝึกพอใช้ได้ไปใช้กับกัน สิงวัดรองมาดีก็ไปใช้ลองดูมันใช้ได้ไหมเหมือนเครื่องมือที่เครื่องใช้ที่เขาสร้างขึ้นก็นไปใช้ได้ไหมใช้ามาได้มาซ่มไงเหมโอนเนเนี่ยช่างไปมาตั้งเท่าไหรพันพันข้างสร้างขึ้นมาข้างหนึ่งก็ใช้ไม่ดีเอามาปรับใหม่ หลายร้อยหลายพันข้างจึงเป็นมาตรฐานได้ถ้าบัใชีไม่ได้ก็เอาใหม่มันจะชํานาญขึ้นจะไม่เม็นดีขึ้นอะไรที่ไม่ดีทํำให้มันดีขึ้นมาในกายในใจเรานี่ไม่ใช่เราไปซ่อ้นหามันเห็นมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นให้เราเรียนรู้ ความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องเนี่ยความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องเนี่ยความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธ ถ, ถูกต้องมันมีบาแล้วเป็นอย่างนี้จึงถูกต้องถึงไม่ถูกต้องไม่ให้นคนอื่นตอบให้เราตอบอเองแราไม่มีคำถามใคร ในแต่คมตกแล้วจากเรานี้จากสัมผัสจากประสบการณ์จากที่ได้เห็นมันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็เหมือนกันหมดทุกคนผมหลงก็เหมือนกันผมไม่หลงก็เหมือนกันไม่ชิเพศละทินิกายน่าภาษาราความโกรธความทุกข์กนเดียวกัน เป็นตลรมะชัดเจนความไม่เที่ยง<ะ>ก็แบบเดียวกันความนทุกข์ก็เหมือนกันเกิดเจเจ็บตายเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชไชปศึกษาแบบนั้นแบบนี้มันจึงเอวังว่าหูลังสาวเจไว้เนติเจ้าทรงสั่สงสอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังพักกัจจะอะไร ถ้าสองสาวกทั้งหลายก็รููเรื่องนี้เป็นส่วนมากดูเรื่องความไม่เที่ยงควา ม, มทุกข์เรื่องรูปเรื่องกายเรื่องรูปเรื่องนามไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนจำแนกออกเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เราเนี่ยอยู่ที่กาวที่ใจเนี่ยปัญหาก็อยู่ที่นี่แก่ปัญหาก็อยู่ที่นี่ เป็นทุกเป็นนรกเป็นเปรตเป็ชลกาก็อยู่ที่นี่ยเป็นสวรรค์นิพพานก็อยู่ที่นี่ไม่ใช่ไปหาที่ไหนหันจึงชื่นใจที่เราได้รูปได้นามมาที่บิดามารดาให้เราเกิดมาพ่อแม่อาจจะไม่ทําได้เราอาจจะทําได้กว่าพ่อกล้าแกลี่เราเกิดมาเนี่ยเพื่อพ่อแม่ให้เราได้มาทําเรื่องนี้ ทต่ไมไหนก็เพื่อให้เราทำเรื่องนีนสิ่งเวรล้อมต่างๆเพื่อเราทำเรื่องนีไม่ใช่ไห่ไปทำเรื่องเกินทำเรื่องนี้เไปแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าที่เราเกิดมาจะได้ไปบอกคนอื่นเหมือนพระพุทธเจ้าที่แล้วก็ศึกษาด้วยของเองไม่มีใครศึกษารู้อะไรเรื่องนี้ถามใครก็ไม่มีใครตอบ ทำไมต้องไม่เกิดทำไมต้องไม่เจอะทำไมต้องไม่เจ็บทำไมต้องไม่ตายทำไมต้องไม่ทุกข์ทำไมจึงร้องไห้เสียใจพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายตอบไม่ได้ไก่ก็ตอบไม่ได้จึงเป็นการบ้างของพระองค์สิท ธ, ธรรรัตถะจอนเจิกเสาร์เรืนได้คําตอบโดยหลักปฏิบัติธรรมนะี่ย ไหนคืนวันเพ็ญเดือนหกมีสติอะไรเกิดขึ้นขณะที่มีสติมากมายตามพระสูตรต้องมีมารมีอะไรเกิดขึ้ น, นมันก็มีอยู่อย่างนี้แน่นอนแล้ ว, ลวเราขอมาท่าทายเรื่องนี้กั น, นอย่าปล่อยกันทิ้ง อย่าปล่อยทำที่เป็นกุศลทิ้งไปเป่าๆอย่าปล่อยทำที่เป็นอกุศลให้มันยิ่งใหญ่ในโลกมันสามารถเปลี่ยนได้อย่างนี้น่นาจะกระตือรือร้นอย่างน้อยต้องเอาตัวเองให้มันพุ่นไปเนี่ยจําเป็นที่สุดเวลามันหลงไม่หลงนี่จําเป็นมากนะเวลามันทุกข์ไปทุกข์นี่จําเป็นเวลามันโกรธไม่โกรธจาเป็นต้องเปลี่ยน เหมือนอยุงกัดตรงไร่มันออกถ้าไม่ไล่มันก็อาจจะเป็นไข้มาเลียเป็นไข้เลือดอกจําเป็นเวลายุงกัดตรงไร่มันเวลาปวดดักปวดเบาต้องปล่อยยเอาเป็นทุกตีแล้วที่มันปวดนักปวดเบานอนอยู่ก็ต้องลุกไปไว้ต้องตาตาอยู่ในห้องไอซอยู่ ออรียกร้องตาร้องตารตาไม่หนักเมื่อเบามาล า, านแล้วหลายวันแล้วอยากกั้นไว้นะ้ามันทร อ, อันตายใช่ไหม <laughs> มันทรม า, มานตายอย่าไปกันนะปก้นนะอากั้นหนัะกั้นเบาไม้ดีนะในผลก็ะทบต่อสุขภาพร่างกายบางทีปวดหนักก็เบาเฉยก็ทุกข์โอ้ยไปทุกข์เรื่องไ่ประโยชน์มันมีประโยชน์ตรงนั้นนะ อะไรทุกข์อะไรก็มีตทุกข์อะไรก็ไม่ตทุกข์ขียยยยยยยย้ทุกข์อย่างนั้นเหรอไม่ใช่ช ล, ล, ล่าอ่าก็ดีขอบคุณอะความหิวก็ขอบคุณความหิวไม่ใช่ทุกข์ต่บางทีไม่รู้เอาความหิวมาเป็นทุกข์ถ้าไม่หิวมันจะตายนะถ้าหิวมันไม่ตายนะไม่ถ้าจะเป็นทุกข์ ทะเลวิวาดกันเพราะความหิวกล่องข้าวด้วยข้าแม่ตายกเพราะความหิวมันปานนั่นาาน่ะถ้าไม่รู้วันน่ะเอาม้จี้งไปฆ่าแม่แตาย ห, หิวข้าวเฉยๆมันก็มีประโยชน์แม่เอาข้าวมาส่งเห็นมันหิวแล้วก็กลัวว่าจะไม่เอิม่มโกรธขึ้นมาถ้าไม่มีสติก็ปานนั่นนะ่ะ พูนผนงู้ไปเลยตั้งที่มีประโยชน์ของเหวเอาเป็นความงู้ไปเลยเห็นค่าแม่ตายไปดูทียะโสทร น, ทนเห็นธาตุของเขาน้อยข่าแม่อยู่ทุ่งนานะไม่จริงจริงเราก็เคยเสียเปรียบของโกรธบ้างไหมเสียเปรียบความทุกข์มีไหม เสียเปียกวามโกรธหมไหมหลวงตาเคยเสียเปียกมันมากปะล่ะเราจะพูดเราเป็นคนที่ทุกข์ที่ยากทุกทุกอยากงั้นก็ขอบคุณมันเห็นมามาเห็นทุกวันโอ๊ยถ้าไม่ทุกจะไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมอะไรก็ทุกข์รอยอยากนะทุกประความหมดจบ ทุกปะลำบากกลากรรมทุกปะการพัดภาคกาบของเล่าของชอบใจทุกปอปราท้าเฉียงใดไม่ได้เฉียงนั้นความไม่สบายกายความไม่สบายใจได้สัมผัสกับรสชาติความทุกข์บาทุกอย่างไม่หลกกันไม่ได้ความทุกยังไม่คุยอวดล้ตาก็ยเล่ากันนะนะไม่ต้องมาคุยอวด อันควา่อทุกเนะี่ยน่าอายนะคนก็มาคุยเรื่องทุกแต่คุยก็ได้ไม่จะได้สบายใจเราจะได้รู้จะได้ช่วยกันที่นี่ขอเป็นเพื่อนของคนมีปัญหาคนมีทุกไม่หลังเกียดใครใช่ไหม อ, อย่าหลังเกียดกันเนกะียดด้วยกันอย่าทะเลาะว่ากันช่วยเหลือเชื่อูจกัน เป็นเพื่อนเกิดเจริาจาจาตายด้วยกันเป็นญาติกันในทางนี้ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องเบียดเบียนไม่ต้องทำอะไรเขาก็ทุกข์อยู่แล้วไปด่าไปทะเลาะกันทำไมบาคนต่างทุกข์อยู่แล้วหายใจเข้าหายใจออกมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วถ้าหายใจเข้าไม่เข้าก็ตายเท่านี้เองชีวิตเราไม่ใช่ยากอะไรนะ มัจึงจําเป็นนะปฏิบัติธรรมจะให้เป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างทุกอย่างมันก็ไม่ไหวไม่ใช่เกิดมาทุกข์เกิดมาเพื่อความดับทุกข์ไปชาติบางนี่เพื่อปฏิบัติธรรมนะอย่าไปทํามาเดินแต่ชาตินี้ทั้งชาตินะให้มา เอาเรื่องนี้ซะก่อนจะได้เดินลุยเหยียบบนโลกได้ใหญ่ใหญ่งสง่างามในโลกเนี่ยมันไม่ใช่โรยด้วยดอกกุหลหาบไว้ให้พวกเรามีแต่ควงตระหนังถ้าไม่รู้มีทุกขก์มีลูกก็ทุกข์เพลูกมีเมียมีผัวก็ทุกข์เพเมียพราะผัวมีอะไรก็ทุกข์มีไม่เป็นเป็นไม่ถูกทุกข์ทั้งนั้น ถ้ามีเป็นเป็นถูกถก็ไม่ต้องทุกข์จช่วยกันเป็นการระยะมิตราาการไปดีพากันไปมรรไปผลเห็นคนหนังทุกข์ก็ช่วยกันให้เป็นเห็นคนหนังตกก็ช่วยกันให้เป็นต้องช่วยตรงนี้นจึงจะเป็นสมรสดอมีพัญญากัน แต่เราม่ช่วยกันตรงนี้พอคนหนึ่งโกรธคนที่สองก็โกรธตอบแต่งงู้ไปด้วยกันไม่ก็มีความฉลาดตรงนี้แหละคนที่โกรธกนก็เป็นบาปคนที่โกรธทีหลังเป็นบาปสองต่อสองเท่ากว่าคนโกรธกร่ยังไปงู้ตามเขาอยู่ให้เขาว่าให้เราโกรธไปตามเขาในเรื่ว่าไม่ช่วยกันเลย มีมากในเรื่องนี้ในโลกเลาะกันแตกแย่กันเพราะคนหนึ่งโกรธก่อนคนหนึ่งก็โกรธต่อไปต้องช่วยกัน น, ะนีโอกาสแล้วก็ตื่ลร้อนโอนิโอนิเขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยับขอไปขอถอยไปขอโอ้ยไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกมัก็เห็นได้ หน้าเบืบ่องเบ่หน้าปวดปดแจ้งออกมาก็เป็นความทุกข์ช่วยกันได้การช่วยกันนี่ตรงนี้มันจะดีที่สุดจะเห็นใจกันที่สุดจะรักกันมากที่สุดตรงที่ช่วยเหลืออันที่มันทุกข์ให้ไม่ทุกขนะ์นี่แหละเพื่อนมิตรการละยานมิตรสามีพันยา ก็ช่วยกันอย่างนี้เป็นคู่ชีวิตเห็นหน้ากันก็ได้มรดิได้ผลใน้ในพานเย็นใ จ, นใจเห็นหน้ากันได้ในโลกได้เป็นเปรตก็มีร อ, อนใจเราจะอยู่อย่างนีกันลในโลกเนี่ยอะไรที่มันที่จะพึ่งอาศัยได้เราพึ่งตัวได้ตรงไหน กันงคืนเป็นความกลางวานันเต็นเตลวอยู่จากนั้นหรือใหามันเย็นให้มันเรียบร้อยอดพิษอดภัยไม่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนทานไฟที่มันเย็นแล้วชีวิตของเราเราก็พึ่งได้มีชีวิตเพียงวันเดียวประเสริฐกุ่งชีวิตร้อยปี ผู้ใดไม่มีสติผู้ใดไม่มีธรรมะชีวิตร้อยปีไม่พิเถิดผู้มีธรรมะเพียงวันเดียวโตมีรสพระธรรมในหัวใจใได้สัมผัสยกมือไหว้ตัวเองได้คุ้มข่าแล้วคิดถึงพ่อถึงแม่โอ้ยพ่อแม่ ที่ให้ลูกเกิดมาคุ้มค่าแล้วไามา่เสียค่าน้ำนมไม่เสียค่าแรงจะได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เอาาเอาใจที่เราได้จากพ่อจากแม่มาทำความดีต่อไปแล้วแต่นอนป่วยอยู่รงไยาวานจุฬาเออกระจานนทนชานต้ม รู้สึกว่ามันดีขึ้นก็บอกจานนดว่าคงไม่เสียแรงหลบจานนด ท, ที่มานอนเฝ้ากัอนอยู่นี่สองปีจานต้มรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะกว่าเก่าคงไม่เสียแรงนะแล้วก็ก็ไม่เสียแรงจริงๆจะมียังมาเทศน์ฟังอยู่วันนี้ <c oughs> นะมันก็คุ้มค่าแล้วเทอดูแลแา่แต่ญาติโยมชาวสุโขทโธญาติโยมทุกคน กุ้งขาแล้วที่ช่วยหลงตาแล้วจะได้ใช้ประโยชน์ในช่วงที่หายเผื่อมานี่ก็ทํำอะไรได้บ้างนะนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีกว่าที่มันจะตายที่งไปแล้วนะเราเข้าเหมือนกันนะอะไรที่เรายกหรือไหวตัวยังได้เราทําอะไรได้บ้างเปลี่ยนหลงเป็นลูกง่ายไหม เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ชำนานไหมเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธชำนานไหมอรื่ อ, องความหลงความโกรธความโลภความทุกข์เนี่ยเป็นอกศุศลไม่ดีเลยนำไปสูน่นรกเปลี่ยนมันให้มันเป็นเรื่องกุศลเถอะมันจะดีไปสู่สวรรค์นิพพานตาเก้าของมันตรงนี้ตรงกันพอดีเวลาเรามีสติจะเจอความหลงนั่นแหละ มันพอดีกันมันพอดีกันแล้วก็เปลี่ยนมันนะั่นน่ะนั้นนะ่ะเช่งเปิดปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ทั้นที่ทอันนี้ถ้าเปลี่ยนตรงนี้ลแล้วก็ไปละไข่คนแก่แก่โชคหลุดไปแล้วไปหลงจนตายไปทุกข์จนตายไปโกรธจนตายไปโลภจนตาย ไม่ใช่ต้องเป็นขั้งสุดท้ายคองหลงเป็นขั้งสุดท้ายความโกรธความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายชีวิตเราเนี่ยอ่นจะจคุ้มค่าที่เราเกิดมาที่เราได้ชีวิตมาได้กายได้ใจมานี้ใช่สําเร็จประโยชน์อย่าใช่เป็นทุกข์เป็นโทษมีประโยชน์มามากถึงห้ น, นิ้วเจ็บนิ้วกายใจของเราเด่น ถ้าไม่ใช่ถ้าใช่ไม่เป็นถ้าไม่ศึกษาก็เป็นทุกข์เราเป็นทุกข์พลูกพาะเมียพ่ผัวเราเป็นทุกข์พ่อญาติพี่น้องเราเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์มันก็มีโทษแบบเราไม่เป็นทุกข์เพราะควมเป็นทุกข์เราเป็นเป็นทุกข์เพราะควไม่เที่ยงเป็นเป็นสวรรค์นิพพานไปเลย อย่างเราสาธยายพระสูตรสาธิติรคะนาคาถาจำได้ไหมว่าอะไรติรคะนาคาถาเชื่อไหมตรงนะั้นหรือว่าแต่ปากเป็นภาษาโลกแค่ลงคุณทองสัพเปสังฆาราตุขาติยาทาปัญญายาปัจจเต เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกขะนี้เป็นตาติดทุกข์เอกสมโควิสุตติยะเมื่อนอนยอมไหน่อยๆในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่สุนโลงนอนหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเชื่อไหมหรือว่าเป็นภาษาโกแก้วว่าไปเฉยๆเอามาทําไหมเอามาทุกข์มาเป็นนิพพานได้ไหมเย็นไหมายจากความร้อนองค์ทุกข์เป็นเหมือนความร้อน ความหมายทุกเป็นเหมือนเย็นแล้วทำดูไหมมันต่างกันไหมความทุกข์กับความไมายทุกข์มันต่างกันไหมเอบ า, มมางก็มีด้วยประการฉะนี้กับพระพงทธเจ้